أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله رب العالمين و ب ن س ت ع ي ن ولا عدوان إلا للظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب الشرح لصدري ي ويستل أملي وهل أقتام لساني يقول قال رب ا ل ن ّ ا ء المنافئ والسكن طيباً و ع م ل ا م ت ق ب ل ا ً ครับพี่น้องที่รักยินครับเรามาศึกษาคําพูดของตัวลอสุบฮาห์นะฮูอัตตาลาสุรุตุลาลากันต่อนะครับผมเรายังคงอยู่ในส่วนของอายะที่17นะครับในสุรุตุลาลาวัลอาคิวรัตุคอยรู้วะบะกออยายะนี้พี่น้องคงสังเกตนะครับว่าเราใช้เวลาค่อนข้างจะมากกับอยายะนี้เพราะว่าจะว่าไปแล้วชีวิตเราทั้งหมดมันก็ เป้าหมายเรอยู่ตรงนี้จริงๆนะครับพี่น้องในสภาพของผู้ศรัทธาเนี่ยถ้าเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์เราก็ต้องศรัทธาต่อ ว, วันสิ้นโลกแล้วเมื่อเราศรัทธาต่อ ว, วันสิ้นโลกวันสิ้นโลกก็ต้องเ ป, เป็นเป้าหมายที่เราอยากจะไปอยู่ไม่ใช่ถูกบังคับให้ไปอยู่การทําตัวของเราในดุนยามันคือตัวชี้วัดว่าอาคิรั์ของเรานั้นอยู่ใน อะไรก็ในสภาพใดนะครับผมโอ้ตอนนี้อาจารย์คาริาทัตถายมาด้วยนะครับผมกบีชัดเจนเจ้ากุมุลลาหูไคลรังครับท่านอาจารย์แล้วก็คุณสรัณย์นี่นะครับสลับลววมาอัลฮัมดีลาบิญียมาติยตติมุสลิฮัดก็ไว้คันสรรัลมาตุลลอห์อวบารกา์กาตูมุกิดชัดเจนนะครับแล้วก็พร้อมเรียนวิชาตับซิดวิช า, ท, รรชาที่สามของชาวั น, นโอ้โหมาชาฮ์ลก็ปี่ข้อกว่ามาหรือปล่าครับเนี่ยยาวจังขอพระละเมตดตาครับแล้วก็เพิ่มพูนความรู้ตอบรับงานที่ดี ส่วนพี่วณีนะครับสลามท่านแรกผมเห็นข้อความท่านแรกเลยนะครับผมก็วันกุมสรรามราตุนล้อวะเบ้เรอแก่ตู้ครับผมเอาละครับพี่น้องที่รักยินครับผมเมื่อเราพูดถึงโรอคอักเสบเราก็ทราบว่ามนุษย์เรานั้นที่ดำรงชีวิตอยู่ในปัจจุบันเนี่ยถ้าจะแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆก็แบ่งเป็นสองกลุ่ม แบ่งเป็นมุมมองที่มองเรื่องดุนยากับอาเคโรนะครับแบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆไม่ได้แบ่งเป็นผู้ศรัทธาหรือผู้ไปเสด็ศรัทธาไม่ได้แบ่งอะไรอย่างนั้นนะครับแต่แบ่งเป็นผู้ที่มีชีวิตเพื่อดุนยากับผู้ที่มีชีวิตเพื่ออาเคโรซึ่งท่านอีเรย์บอวันฮูเนี่ยเรียกว่าเป็นลูกหลานลูกหลานของดุนยากับลูกหลานของอาเคโรคำถามที่อยากจะชวนพี่น้องนั่งคิดดีๆครับผมเรานั้นตกลงเราเป็นลูกหลานของอะไรนะครับลูกหลานของดุนยาหรือว่าลูกหลานของอาเคโร พี่น้องบางทา่านคงไม่เล่นมุกนะครับผมไม่บอกว่าฉันก็ไปลูกหลาน ล, ลูกพ่อลูกแม่สิความหมายคือชีวิตที่เราใช้อยู่เนะี่ยเอาจริงๆเลยนะีชีวิตหลกักๆที่เราใช้อยู่เนะี่ยใช้อยู่เพื่อที่เราจะได้อยู่ในดุนยาหรือเพื่อที่เราจะอยู่ในอะเชรอรูปแบบการเนนืะ้ชีวิตไม่มีทางเหมือนกันครับไม่มีทางเหมือนแล้วก็ไม่มีทางเหมือนพี่น้องที่รักยิ่งครับสิ่งหนึ่งที่จะเป็นตัวชี้วัดเนี่ยว่า ตกลงเราเป็นลูกของดุนยาหรือเป็นลูกของอาเคร์เนี่ยพี่น้องสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวชีวัดเนี่ยเราดูจากในยักุรานในสรตรุลูมอายะที่เพครับพระกาวยาวว่ายะเลมูนะดอฮิรันมินะลัยติดุนยาบุคุมอนิลอะครอที่หุมก o อฟิลูนพวกเขานั้นจะรู้ถึงสิ่งที่เขาเห็นในดุนยาโดยที่ในเรื่องอาเครอ์น้นเขาหลงบื้มันไป แปลว่าพวกลอสราตาพูดถึงคุณลักษณะของลูกหลานของดุลยาคนที่เป็นลูกหลานของดุลยาเนี่ยดุลยาเขารู้หมดครับเขารู้ว่าต้องทําอะไรยังไงต้องรู้ว่าทำธุรกิจยังไงต้องรู้ว่าเรียนยังไงต้องรู้ต้องไปยังไงต้องรู้ว่าต้องเดินทางยังไงรู้หมดครับทําอาหารทําอะไรทํำยังไงทําให้มันอร่อยทําให้มันที่ไหนมีอร่อยบ้างจะไปกินอะไรยังไงรู้หมดทีเที่ยวรู้หมดทําไมรู้หมดเลยยกเว้นที่ตายไม่รู้ว่าจะตายที่ไหนเอกะคนนี้ ชวนสะดุดนะพี่น้องชวนให้สะดุดยาแล้มูน ด, ดอให้เรามีเราหายาติดตุนยาพกเราบอกว่าเปลือกนอกด้วยซ้ำพวกเขานั้นรู้เปลือกนอกทั้งหมดของดุนยาในขณะที่โรกอาคิร้อนั้นเขากับหลงลืมพวกเราไม่ใช้คําว่าไม่รู้นะพวกเราไม่ใช้คําว่าเขาไม่รู้ว่ามีดุนอาคิระอนนะแต่พเพราะใช้คำว่าเขากับหลงลืมอาคราิระอนแปลว่าครอบคลุมหมดเลยพี่น้องทั้งผู้ที่ใช่มุสลิม กับผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมอาคิร้อนนั้นรออยู่แต่เขาหลงลืมมันไปเขาไม่สนใจเขาไม่ได้ความสําคัญกับมันเรารู้อะไรมากกว่ากันอ่ะถ้าผมถามพี่น้องถามง่ายๆ <c oughs> ขอมาบครับลงคอแล้วทำเลยนะถ้าถามพี่น้องที่รักตอนนี้ครับว่าเรารู้อะไรมากกว่ากันระหว่างดุลยากับอาคิร้อนคาถามนี้ผมว่าน่าสนใจนะ เพราะผมกลัวแล้วก็เกรงเหลือเกินว่าในหัวของเราเนี่ยในใจของเราเนี่ยความรู้ส่วนมากที่เรารู้มันจะเป็นเรื่องของดุลยาที่เราจะต้องจากมันไปแล้วก็น้อยเหลือเกินที่เราจะรู้เกี่ยวกับอเคียร์โรสปกติครับเวลาครูบาอาจารย์หลายๆท่านนะครับหรือว่าอย่างท่านอาจารย์ผลิตอ่อาท่านอาจารย์ศาสตรนะครับก็เห็นเปิดคอร์สอยู่เห็นสอนอยู่ก็สอนเรื่องอเคียร์โรสแล้วก็จะพบว่ามีคนถ้าเกิดเทียบอะครับกับถ้าเกิดพี่น้องไปดูพวกโคชชิ่งทั้งหลาย เอาโคชในดุนยาทำยังไงให้ประสบความสําเร็จทำยังไงให้ค้าขายสําสเร็จพี่น้องไปเปรียบเทียบจํานวนต่างกันลิบลับครับคนที่จะมาเข้าชมคนที่ใหความสสนใจหรือให้ความสําคัญอันนี้ผมพูดถึงมุสลิมด้วยกันนะครับผู้เป็นเซตสตาไม่ต้องพูดเอามุสลิมด้วยกันถ้าเกิดมีการพูดถึงโคชชิ่งดุนยากับโคชชิ่งอาคิร์รพี่น้องว่าใครจะมากกว่ากันกลุ่มไหนจะมีคนไปดูมากกว่าอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็ น่าสะพรึงกลัวนะครับผมเพราะอะไรครับมีเรื่องราวที่ท่านนบีมุสลิมซามได้พูดถึงคุณลักษณะของลูกหลานของดุนยาเรากําลังพูดใช่ไหมครับว่าเราต้องระวังนะครับเราต้องทํอย่างไรก็ได้ให้เรานั้นเป็นลูกหลานของอาคิวร์ร็ก็คือมีชีวิตอยู่เพื่ออาคิร์ร็ลูกหลานของดุญญนยาเนี่ยครับในบันทึกของ ท่านอิบนุหิบานนะครับรงห์อลลอฮนะครับท่านได้กล่าวไว้เป็นะดิษจากท่านอับบูเลลล์อัลลอฮอันุสเบที่สองานี่นะครับผมท่านนบีมูฮัมมัดสลัยซ์ได้กล่าวไว้ครับว่าอินนัลลอฮะยุผู้ลอ์นั้นทรงโกรธเกลียดโกรธเกลียดคำนี้ชัดเจนพอหครับไม่ต้องใช้คำอื่นไม่ต้องไปตีความไม่ต้องอะไรผู้ลอเกลียดเลยใครคือบุคคลที่ผู้ลอเกลียดเมื่อเราเจอจำนวนแบบเนี้ยพี่น้องที่รักผู้ลอร์ทรงเกลียด เมื่อเราเจอสํานวนนี้สิ่งแรกที่มันควรจะอยู่ในหัวเราไม่ใช่เรื่องชาวบ้านนะไม่ใช่เราดูว่าเออมีอะไรมั่งที่คนที่เราเกลียดมันมีคุณลักษณะเหล่านี้บ้างหรือเปล่าโอ้นี่ไงอันนี้มันก็ใช่อันนี้ก็ใช่นี้ก็ใช้อารเราเกลียดมันคือจริงๆเนี่ยเราแหละเกลียดเขาเวลาเราเจอสํานวนประมาณเนี่ยพอเลาทรงเกลียดพอเราทรงโ ก, กรธพอเราไม่พอพระไทยเนี่ยคนแรกที่เราต้องคิดถึงไม่ใช่ใครครับคิดถึงตัวเราเนี่ยพี่น้องเราใช่ไหม เพราะถ้าเราใช่เดือดร้อนพี่น้องถ้าเราใช่กลุ่มที่พวกล็อกโกรธ <c oughs> ก็แปลว่าล็อกโกรธเราโอเคแล้วพี่น้องถ้าเราเป็นกลุ่มที่พวกล็อกเกียดก็คือพวกล็อกเกียดเราไม่ดีทั้งหมดเลยเพราะนั้นตอนนี้ท่านอับดุลโมฮัมหมรัดสุลต่าได้พูดถึง5คุณลักษณะของบุคคลที่พวกล็อกเกียด5ซึ่งเสริมมาก็จะเป็น6 อาไปว่าสรุปเป็นเราดูความหมายเลยแล้วกันนะครับผมอินนัลลอฮ์ยูบะฮิรุกุลจาซารียินเจวัสสัฮาบินฟิลอัสบวะตีฟตินบิลเลลฮัมารบิลนฮารอัลีมุนบิอัมริตุนจาชาฮิลินบิอัมลิลอาคีรอตนะบีมูฮัมมัดสลาสนาบอกผู้รอดนั้นทรงเกลียดทุกคนอันีต้องตีความอีกไหมว่าจะรอดใครจะไม่รอดผูวว้รอนั้นทรงเกลียดทุกคนที่เป็น เจ้อสัยินที่จ้าอาศัยท er ี่สักขับใ s มืดค่ำที่ชีฟต์ในกลางวันที่ฮิมาร์ในตอนเช้าอะไรแบบนี้บีเอ็มดิทน่าบีเอนี่คือเจคุณลักษณที่พละเกียรตครับผมอยู่ในใครถ้าทั้งเจข้อนี้อยู่ครบในตัวใครให้รู้เลยว่าอัลล์เกียรติอย่างที่ผมบอกตัดสินตัวเองพี่น้องไม่ต้องไปดูคนอื่น ถ้าเจ็ดข้อนี้อยู่ครบในตัวของผมอยู่ในตัวของพี่น้องนี่คือเดือดร้อนแล้วพี่น้องนี่คือเดือดร้อนขนาดใหญ่ต้องรีบเปลี่ยนทันทีเลยคุณลักษณะแรกครับจ้าซอรีจาซอ ร, จาจารีคืออะไรครับ จ, าจา้าซอรีคือคนที่แบบว่าชอบทุ่มเทให้กับการสะสมทรัพย์สมบัติดะพี่น้องอยากมีทรัพย์สมบัติเยอะๆแล้วก็ทุ่มให้กับการสะสมทรัพย์สมบัติเนี่ย ตั้งแต่เด็กจนโตนี่คือวิธีที่จะได้ทรัพย์ทรัพย์สมบัติเนี่ยเรียนมาเรียนแล้วเรียนอีกเรียนแล้วอีกจบปุ๊บทํางานเช้าถึงค่ำค่ําถึงเช้าวนไปเรื่อยๆแรงผลักดันที่สําคัญที่สุดก็คืออยากได้เงินเพราะได้เงินคือได้ทุกอย่างกุล จ, จาริคือผู้ที่ปรารถนาอยากจะได้เงินมากมากแล้วก็พูดถึงแต่วิธีที่จะได้เงินคือยึดติดกับเงินเงินแบบ ทั้งกายและใจอ่ะพี่น้องพี่น้องว่าถ้าอยจะบอกอามุซีมดุนยาเราก็ต้องสแสวงหาดุนยาไม่ใช่เหรอล้อบอกไม่ใช่เหรอพวกเราบอกว่าไงอย่าลืมดุนยาบ้างโอเคให้สแสวงหาไม่ผิดแต่พี่น้อง ใครก็ตามทีถ say, ่ถึงเวลาพูดถึงแต่เรื่องเงินเินพูดถึงแต่เรื่องทองทองจะทำไงให้ได้เงินเงินเสียเวลา5นาทีเนี่ยฉันทำอย่างนี้น่าจะดีกว่าฉันจะได้ได้ตังเน่ต้องทำนี้ถึงจะมีเงินแ้วต้องงั้นเงินจะมีเงินจะไม่มีเงินฉันแย่จังเลยนะเอาคนนั้นมีเงินเยอะจังเลยนะทำไมฉันถึงมีหนี้สินเอาคนนั้นก็มีหนี้สินเอาเรื่องเงินเป็นเรื่องใหญ่เอาเรื่องสำคัญเร่องจริงเินนะอวดให้ฉันมีเงินก็คงดีสัตมีบ้านจะมีอะไรใครก็ตามที่เขาพูดถึงแต่เรื่องทรัพย์สมบัติเงินเงินทองทอ่ ทั้งปากทั้งใจทั้งตัวทั้งพฤติกรรมทั้งหมดบูชาเงินเรียบร้อยแล้วบูชาทรัพย์สินใครมีรถหรูหรูองค์คนนี้เจ๋งคนนี้ ด, คนนดีคนนี้เก่งใครมีบ้านใหญ่ๆ ใ, ใครที่ดูรวยรวยคนนี้มันเป็นคนดีศา ส, สนายกให้เขาเลยเจ้าเสรีคุณลักษณะแรกระวังให้ดีครับพี่น้องอย่าให้เกิดกับพวกเราธรรมชาติของเราแหละรักเงินอยู่แล้วไม่มีใครแม่รักเงินเรารักเงินอยากได้เงินอยากได้ทรัพย์ ส, สมบัติเพียงแต่ว่า อย่าให้มันเป็นตัวตนของเราอย่าให้มันกืนกินเราไปทั้งหมดอยากได้เอาล็อให้ขนาดไหนอัลฮัมดีแล้วทุ่มเทเท่าที่ควรแล้วก็อย่าลืมว่าเราเป็นลูกของไอซีร์ล็อลูกไอซีร์ล็อก็ต้องให้ความสํออาคัญกับไอซีร์ล็อถูกไหมครับอย่างยกตัวอย่างถ้าเกิดเรามีแม่เนี่ยเราจะให้ความสำคัญใครระหว่างแม่เรากับแม่ของคนอื่นแม่คนอื่นเราก็ต้องให้ความสําคัญเป็นเรื่องปกติถูกไหมครับเพียงแต่ว่าตามธรรมชาติพี่น้อง ร้อยทั้งร้อยถ้าเป็นคนดีเป็นลูกกตัตันยูไงแม่เองต้องเป็นเบอร์หงถูกไหมครับมันไม่ได้แปลว่าเราไม่ให้เจยดคนอื่นเราให้เจยดทุกคนแต่แม่เราต้องเป็นอันดับหนึเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราบอกว่าเราจะเป็นลูกอาเคโรเนี่ยแล้วเราก็พูดถึงแต่ดุนยาทุ่มเทแต่ดุนยาหัวใจมีแต่ดุนยาอยากจะได้แต่ดุนยาแล้วเราจ้างว่าเป็นลูกอาเคโรได้ยังไงถูกต้องไหมครับผมเพราะฉะนั้นจะซารีเนี่ยระวังให้ดี ซึ่งพี่น้องที่รักครับบางท่านก็บอกว่าจาจอรี่เนี่ยความหมายอีกความหมายหนึ่งนะครับก็คือกริสมูตักเบียรคนที่หยาบกระด้างคนที่หยาบช้าแล้วก็มีหัวใจที่กระด้างแล้วก็เย่อหยิ่งยะโสแปลว่าไงครับคนที่หยาบกระด้างคือถึงเวลาปุ๊บพูดหยาบคายพี่น้องเยอะแยะมากมาย มหาศาลครับถ้าเราดูในความหมายนี้นะถ้าเกิดเราดูว่าจอร์รีเนี่ยหมายถึงคนที่กอริอยากกระด้างอยากคายเนี่ยเยอะมากมายพี่น้องเราพูดถึงมุสลิมแล้วมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าถ้าเราพูดว่าแม้แต่ในคนระดับครูบาอาจารย์ที่เป็นคนอยากคายเนี่ยเยอะมากแล้วหลายคนที่ได้รับการนับหน้าถอตาทั้งทั้งที่ เป็นคุณลักษณะที่พวกล็อกเกียด์บางคนบอกต้องหยาบสิเจอคนหยาบมาฉันก็หยาบไปเราพูดถึงอิสลามหรือเราพูดถึงตัวเราถ้าเราบอกหยาบมาหยาบไปอันนี้คือตัวเราไม่ใช่อิสลามไม่ใช่คําสอนไม่ใช่แบบอย่างของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลตัมเราต้องแยกให้ออกนะนี่คืออิสลามหรือนี่คือตัวเราถ้าเราตัวหยาบหยาไปโยนความหยาบให้กับอิสลามอิสลามไม่เคยสอนให้ใครหยาบ แม้แต่เป็นคนทําผีทั่วแล้วยังบอกว่าไงครับก็ต้องพูดกับเขาดีๆเพื่อเขาจะเปิดใจเพื่อเขาจะคิดได้วัวเราขึ้นต่ฟอสเดินกอริสันบอนหากเจ้าเป็นคนที่มีความหยาบกระด้างเนี่ยผู้คนจะตะเลิดไปหมดแหละคนที่ควรจะได้เตาบ้ากับไม่เตาบ้าเพราะเราไปด่าว่าไปเราไปพูดทําสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นตัวตนที่หยาบคายพี่น้องระวังแล้วก็มุตะกับบิดเนี่ยพี่น้องมุตะกับบิดนี่คือคนที่ยะโสมันมาเซ็ตคู่พี่น้อง คนหยากคายโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนที่หยิ่งยะโสพี่น้องพี่น้องไปดูส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้แหละคนที่น้อมน้อมถ่อมตนจะเป็นคนที่สุภาพมันคู่กันมันมาคู่กันเพราะฉะนั้นระวังคนนุณลักษณะแรกจาร์รี่จาร์จอรี่ก็คือหยาบคายแล้วก็หยิ่งยโสครับแล้วก็เจวัสเขาบอกเจวัสเนี่ยอย่างที่บอกครับแปลได้เหมือนกับ ยาซอรีที่ว่าเป็นคนที่พูดถึงแต่เรื่องเงินสนใจแต่เรื่องเงินสะสมแต่เงินโดยที่มีเจตนาที่ไม่ถูกคนบางคนเราทำดีและวครับบอกฉันอยากมีเงินเยอะๆฉันจะได้ช่วยเหลือพี่น้องแล้วเขาก็ช่วยเหลือตั้งแต่ตอนที่ไม่มีเงินอันนี้คืออัลรทำดีแล้วสะสมไปแหะคนประเภทเนี้ยสะสมเงินไปเยือยๆแล้วก็ทําตามที่เจตนาถ้าเขาสัจจริงอัลลอฮฺจะให้เขาทําได้แต่คนบางคนน่ยปากดีเขามาฟถ้าผมใช้สับแลง คนบางคนปากดีนเนี่ยฉันรวยเนี่ยฉันจะช่วยเหลือคนอื่นไอต้ตอนเนี่ยตัวเองก็พอจะช่วยได้แต่ไม่ช่วยมีคนมาขออะไรเล็กน้อยให ม, ай, ฉม่ฉันยังไม่ช่วยฉันยังไม่ช่วยฉันจะทํางานของฉันก่อนฉันรอรวยก่อนซึ่งไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่ที่เรียกว่ารวยเพราะไม่ว่าใครก็ตามมีเท่าไหร่ก็ตามเขาก็ไม่เคยมองว่าตัวเองรวยถ้าถึงเรื่องที่ต้องช่วยเหลือคนอื่นหรือต้องบริจาคเพื่อนบ้าเขาก็จะมองว่าเขาจนอยู่นั้นแหละแต่พอไปอวดกับคนอื่นพอจะไปข่มกับคนอื่นเอาไปข่ม แต่พอมาเป็นเรื่องศาสนาเพื่อเราปุ๊บฉันยังไม่รูยฉันยังไม่สามารถช่วยเหลือใครได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เจาวัสจาวัสครับพี่น้องอย่าลืมท่นอบเบียร์ัสลายซามครั้งนึง่ท่านพูดกับท่านอั๋มบินอัสไว้ครับว่าทรัพย์สินที่ดีนั้นจะได้กับคนที่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเราทําตัวเป็นคนดีอินชาอัลลอฮ์เราจะได้รับสินทรัพย์สินที่ดีแต่ถ้าเราทําตัวเป็นคนไม่ดีทรัพย์สินของเราก็ไม่ดีมาก็ไม่ดีไปก็ไม่ดีระวังให้ดีพี่น้อง คำเจ้าวสเนี่ยนักวิชาการบางขั้นครับแปลเช่นเดียวกันครับว่าแปลว่าอากูลวันวันนี้ห่วงแต่เรื่องกินโอ้เหมือนจะเข้าตัวเหมือนจะเข้าตัวหลายท่านหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับอากูลอันไหนอร่อยฉันอยากไปกินอันไหนไม่อร่อยฉันจะทิ้งดิสกี้ขอร้องเนี่ยฉันไม่สนใจถ้าฉันไม่ชอบบางคนเนี่ยยกมือขอรา้องจะร้องขอฉันมีดิสกีขอฉันมีดิสกีแต่ดิสกีที่เอาล้อให้มาอยู่แล้วแต่เขาบองแคม เขาไม่มีความสนใจเขาไม่ขอบคุณอาหารเต็มตู้เย็นรอทิ้งอย่างเดียวฉันจะไปซื้อใหม่ฉันจะไปกินร้านหลูหๆอันนี้ก็เข้าค่ายเจวสัสกลุ่มคนที่อัลลอฮ์รังเกียจเนี่นเรามาดูความหมายอีกครั้งหนึงนะครับจาซอรีถ้าดูตามความหมายที่รัชการส่วนใหญ่พูดจาซอรีเนี่ยถ้าแปลให้แตกต่างแต่คำว่าเจวัสเนี่ยก็จะแปลว่าคนที่หยาบคายแล้วหยิง่งยอโสคุณนกะศที่2คือคนที่ พูดถึงแต่เรื่องของดุนยาพูดถึงแต่เรื่องทรัพย์สินให้ความสาคัญแต่เรื่องของทรัพย์สินแพคคู่นี่คือความเลวร้วายคู่เลยยิงยัโสนี่ก็เลวร้วายแล้วนะหยาบคายก็เลวร้วายแล้วนะแล้วก็พูดถึงแต่ดุนยาสนแต่ดุนยาสนแต่เรื่องกินอันนี้ก็เลวร้ายสุดๆสักคอบินบิลอสด้วยความที่เป็นคนที่สนแต่ดุนยาเนี่ยพี่น้อง นนนนนคนลักษณะพวกเราจะเห็นเป็นพฤติกรรมที่น้องหลายอย่างที่ไม่ดีพีน่น้องกับเราจะเห็นเป็นพฤติกรรมตัวตนที่ไม่ดีพวกเราจะเห็นเป็นพฤติกรรมคนประเภทเนี่ยถึงเวลาปุ๊บจะชอ บ, บวกเวกโวยวายเวลาไปตามตลาดไปตามอะไรก็วกเวกโวยวาย พ, พูดถึงแต่เรื่องทรัพย์สินอัวแต่ทรัพย์สินเออเนี่ยมันอย่างงี้มันอย่างงี้เนงงี่ยฉันจะซื้อเนี่ยี่ไม่ดีมากฉันจะไม่ขายแพงจะเลยจะพยายามโกรธโกรธโกรธโกรธกรธก็จ้าเสียงข่มไว้ก่อนพอขายปุ๊บก็จเจ้าเสียงข่มเพื่อได้ราคาสูง อันนี้คือสกอบบิลอสวัสบสกอบินบิลอสวับคืออยากได้เงินเยอะๆเนี่ยก็ชอบเอาเสียงข่มไว้ก่อนจะงไงก็ได้ให้ได้เงินเยอะๆอะจะได้ซื้อถูกๆจะได้ขายแพงๆเอาเสียงข่มไว้ก่อนอยากได้เงินเอาเงินมาเป็นอันดับหนึ่งจะได้ไปหยิ่เยะโสจะได้ไปทุ่มกับเรื่องกินมันเกี่ยวพันกันหมดแล้วก็เป็นคนหยาบคายหยาบกระด้างทั้งหมดมันเกี่ยวพันกันหมดพี่น้อง ท่านนบีมูฮัมมัดสัสงกล่าวต่อข้อชี่วัดินบินเล่ให้มารินบินนะฮัตกลางคืนเป็นศพกลางวันเป็นลากลางคืนเป็นศพคืออะไรพี่น้องก็เพราะสนแต่ดุนยาพี่น้องถือเวลาตอนกลางคืน ป, ลลปุ๊บเวลาหลับปุ๊บจะไม่มีหลักลุกมาต่ฮัตยุดลุกมาทําอะมัทอิบะดาลุกมากล่าวเสดีเสารเสริลืมลึกเถอะเราไม่มีหลอกก็จะมีก็ลุกมาเพื่อดุนยาลุกมาดูบอลเนี่ยง่ายทําได้ลุกมาละหมาดเนี่ยยากเหลือเกิน หรือว่าลุกมาเพื่อที่จะทำสิ่งที่ฮารอมหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันไม่ใช่เรื่องของไอแคลร์พี่น้องมิสซูจีฟรตินบินไลลีเรื่องต่ออะไม่ต้องพูดถึงมีมา <c oughs> กหรือไม่นะครับกลางคืนก็เป็นศพไม่พอนะกลางวันเป็นลากลางวันเป็นลาคืออะไรครับเสริมแต่เรื่องกินอยากให้มันมีมากกิน กระเป๋าหัวต่อกลางวันปุ๊บ ก, ก็ทุ่มแต่ดุนยากลางคืนก็หลับเพื่อที่จะได้ทุ่มกับดุนยาต่อใช่พวกเราหรือเปล่ามีคุณลักษณะไหนไหมที่ใช่ผมที่ว่าใช่พี่น้องที่รักอันนี้ราวางพี่น้องรักกันเตือนกันไปนะครับผมยุคนี้แปลกพี่น้องทุกที่เป็นยุคที่เริ่มเตือนกันยากโดยเฉพาะบางทีกับคนที่ชอบคุยเรื่องศาสนาเองเนี่ยบางทีอาจจะเป็นคนที่เตือนยากที่สุดก็เป็นไปได้ว่าเราอ้วนนะครับผม ประเด็นต่อมาที่ท่านนบีมูฮัมมัดสุลัยสลามพูดไว้ต้องขอเตือนไว้เลยก็คืออนี่มันบอัมิดุนยารินบอัมิอาครอดุนยาเนี่ยรู้ดีอาครอดไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยดุนยาเนี่ยรู้ดีไปมดนะครับถามอะไรรู้ลึกรู้ละเอียดรู้แบบยิบเลยนะครับผมอาครอนี่คือนั่งใบละปทานเลยมันมีอะไรบ้างอันนี้คือลูกของดุนยาพี่น้องท่านนบีละยลวาลฮุนะครับอย่างที่บอกครับท่านได้พูดไว้นะครับว่าดุนยาเนี่ย คุณมาดุนยาในสภาพที่มันนั้นพร้อมที่จะอยู่หันหลังคุณหันหลังให้คุณคือคุณมาดุนยาเพื่อที่คุณที่จะได้ไปแล้วจริงๆเนี่ยคุณจะไปอาครอโดยที่คุณกําลังมุ่หันหน้าเข้าสู่ไอเครอคือท่านนาเรียอธิบายว่าครับว่าตอนเนี่ยเราเนี่ยเหมือนกับคนที่พินหลังให้ดุนยานะกันมันจะไปอาครอเพราะเราเกิดปุ๊บเราเตรียมไปตายถูกไหมครับพี่น้องนี่คือศัตรูธรรมก็เหมือนกับเราค่อยๆหันหลังจากดุนยาจากดุนยาจากดุนยากำลังจะไปอาครอไปอาครอ ท่านอาลีครับท่านบอกว่าไงครับว่ลิกุลีวาไฮดัติมินฮูมาบาณูทั้งดุนยากับอาเครอเนมีลูกหลานนะฟักูนูมินอปนาอิลอาเครอเวลาตะกูนูมินอปนาอิดุนยาดังนั้นดุนยากับอาเครอเนมันมีลูกหลานของมันอยู่ท่านจงเป็นลูกหลานของอาเครออย่าได้เป็นลูกหลานของดุนยา ฝ่ายَนเยาว์มะอมา말ุนว่าลาพิซาบว่บวากันพิَาบุนว่า ا าَัมันเขาพูดของท่าน阿里เราะอันฮุบเพราะวันเนี่ยเป็นวันที่เอาไว้ทาแล้วยังไม่ถูกสอบสวนส่วนพรุ่งนี้เป็นวันสำหรับสอบสวนแต่จะไม่ได้ทำอะไรแล้วก็อันไหนเอาไว้ทาอะไรให้มันชัดเจนดุนยาเอาไว้ทาส่วนสอบสวนโลกหน้าโดย โลกแน่จะทำอะไรได้ไหมก็ทำไม่ได้เช่นเดียวกัน <c oughs> จากท่านอุมะรลา์อันหูครับท่านได้อ้างคำพูดท่านบี์วสัสล ร, รว่าใครก็ตามที่เขาอยากเห็นมันกียามะให้เหมือนกับแบบว่าเห็นกับตาเลยเนี่ยเขาจงอ่านสุรัตอิดัชชัมสุกูวิรัตอิดัชสมาอุฟัตรัแล้วก็สูระตุลหูตอ่านสามสุรัตนี้ สุรตัตควีตสุรังพีตอสแล้วก็สุรโหดใครที่อยากเห็นอเครอสแบบเห็นกับตานะครับอ่านสุร้อเยอะๆศึกษาสุร้อนเงยเยอะๆแล้วเราจะเห็นภาพอาเครอสแล้วเผื่อความอยากในดุนยามันจะน้อยลงพี่น้องที่รักชีวิตในดุนยาอย่างที่เราทราบก็คือการละเล่นคือสิ่งที่ไร้สาระคือพวกเราเปรียบเทียบชีวิตในดุนยาเยอะแยะเราคุยกันมาเยอะ เราคุยคันค่อนข้างจะเยอะทั้งการเปรียบเทียบเหมือนหยาดน้ําฝนทั้งการเปรียบเทียบเหมือนภาพดวงตาทั้งการเปรียบเทียบเหมือนการเล่นเหมือนอะไรเมื่อพลอสุปซาเปรียบเทียบกัญญากับอาร์ครอมาเป็นการเปรียบเทียบที่เทียบกันไม่ติดเลยซึ่งพวกลอสบางส่วนพวเราก็ใช้คําว่าอัฟฟาเต้กีลูนทำไมพวกเจ้าคิดไม่ได้ทําไมพวกเจ้าถึงคิดไม่ได้พี่น้องที่รักในสุรสใรระพี่น้องพวลอสเตือนไว้ من كان يريد الآخرة أجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلها م س م و م ا مدحورة ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورة كلا نمد هؤلاء وأهلاء من أعطى ربك وما كان أعطى ربك محسورة انظر كيف ف ض ل ن ا بعدهم على بعض ว่า ล, ลอาคราตุอ a r u ต่อจากทิ้วอ a r u ทัีลนในสร อ, อิส ร, ร, ราพูดหลังุเมตาเลิกกรว่าใครก็ตามที่ใจร้อนเราก็จะด่วนให้กับเขาในดุนยาในสิ่งที่เราต้องการกับคนที่เราต้องการแปลว่าไม่ใช่ทุกคนที่ด่วนได้ดุนยาเราจะให้หมดนะพี่น้องคือเราต้องเข้าใจว่าถ้าเราเอาชีวิตเพื่อทุ่มกับดุนยาเนี่ยไม่ใช่ทุกคนจะได้ถูกไหมครับไม่ใช่ทุกคนจะประสบความสำเร็จในชีวิต ไม่ใช่ทุกคนจะรวยไม่ใช่ทุกคนจะมีบ้านใหญ่โตไม่ใช่ทุกคนจะมีสิ่งที่เขาอยากจะมีไม่ใช่พวกเราเลือกให้สิ่งที่จะให้พวกเราก็เลือกเลยนะไม่ใช่ให้ทุกเรื่องนะแล้วคนที่จะได้รับก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับบางคนได้บางส่วนบางคนได้บางส่วนอันนี้พวกเราพูดถึงใครครับคนที่ใจร้อนจะเอาในดุ n y าใครใจร้อนจะเในดุ n y าโอเคซุ้มาจะอันจะละหูจันนะมาถ้าใจร้อนในดุ n y าคือแปลว่าไม่เอาอาเครอแล้ว เมื่อแมวไอคลอสพวกเราบอกว่าไงครับดุนยาเนี่ยได้หรือเปล่าไม่รู้ได้อะไรไม่รู้ได้เท่าไหร่ไม่รู้ที่แน่แน่ไม่ใช่ได้ทุกอย่างที่เราต้องการแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนจะได้แต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือในวันออครอสจะได้ไฟนรกทุกคนที่ด่วนได้เอาดุนยาไว้ก่อนึเนี จะอัลาลาหุจานมายัสลาหามัสมูมัมมาดฮุรอและต้องอยู่ในในรกแน่นอนคือเขาเลยทุกคนเลยที่ด่วนได้เอาดุลยาคือทุกคนที่ด่วนได้ในดุลยาเนี่ยได้ไม่ได้ในดุลยาไม่รู้แตอายคือร้องได้ไฟนรกแน่นอนฟังแล้วมันน่ากลัวนะพี่น้องว่ามันอาลรอเดลอาคือรักแตแล้วใครก็ตามที่อยากได้โลกหนะ้าพวกเราทุกคนผมมั่นใจพี่น้องทุกคนที่ร่วมรับชมอยู่พวกเราทุกคนอยากได้โลกหนะ้าเพียงแต่พวกเรามีเงื่อนไขนะไม่ใช่แค่อยากได้นะ วะซาอาและฮาซายาฮาแล้วเขาก็ทุ่มเทเพื่อมันมุสลิมอยากได้กลกหน้ามาแหละถามว่าขอยากเข้าสวรรค์ทุกคนอยากเข้าสวรรค์หมดแหละใครก็บอกว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดในชีวิตซะอาละฮาหรือเปล่าทุ่มเทกับมันไหมล่ะทุ่มเทเพื่อจะลูกหน้าไหมแล้วใช้เวลาส่วนใหญ่ทุ่มเทกับอะไรเราเป็นลูกของดุลยาหรือลูกของอัลเลาะห์ต้อกลับมาถามจริงตอบใครก็ตามอยากได้ลูกหน้าแล้วทุ่มเทเพื่อลูกหน้า โดยที่เขาเป็นผู้ศรัทธานี่เงื่อนไขข้อศรัทที่สําคัญที่สุดต้องเป็นผู้ศรัทธาต่ออมรพี่น้องพอม่ใช่บางคนบอกโอเคฉันเชื่อโลกหน้ามีจริงแต่ฉันไม่ได้ทําเพื่อออมรฉันทําเพื่ออย่างอื่นก็ไม่ได้จากเลาหรอครับเพื่อนผู้รอดบอกว่าไงนะส่วนใครก็ตามอยากได้โลกหน้าทุ่มเทเพื่อมันแล้วเป็นผู้ศรัทธาการทุ่มเทของเขานั้นจะได้รับการขอบคุณพเพื่อนรอดจะขอบคุณพี่น้อง การขอบคุณจากพวกลอสเนี่ยถ้ามันเป็นการขอบคุณเนี่ยพี่น้องการตอบแทนมหาศาลพวกลอสทำไมต้องขอบคุณพวกเราไม่มีเหตุผลให้พวกต้องขอบคุณพวกเราเลยแต่พวกลอสบอกว่าไงครับใครก็ตามใช้ชีวิตในดุนยาทุ่มเทเพื่อพระองค์พวกเราจะขอบคุณเขาพระเจ้าผู้ทรงสูงส่งขอบคุณพวกเราที่เราอุตส่าห์เหนื่อยยากเพื่อให้พระองค์พอใจพวกเรา คุณเล่นนมิตูฮาอูละาฮาอูและมินอัตโตอิรับบีคือทั้งหมดเนี่ยทั้งคนที่เรื่องอแคร์ใจร้อนเอาแต่แคร์ร้กับคนที่อะฮมัธทั้งคนที่ใจร้อนเอาแต่ดุนยาเลือกแต่ดุนยากับคนที่ท่องเทเพื่ออาชร์ร้อนพวกรับบอกไงครับทั้งหมดเนี่ยเราก็ได้หยิบยื่นให้แก่เขาทั้งหยิบยืน่นทั้งช่วงเวลาทั้งอายุขทั้งริสีทั้งทุกสิ่งทุกอย่างเราก็หยิบยื่นให้กับเขาซึ่งการให้ของผนะู้อ่อนร้อนนั้นมันมากมายมหาศาลมันยิ่งใหญ่ดูสิว่า้อานนะโปดปด คนหนึ่งคนใดเหนือคนหนึ่งก็ได้ขนาดไหนแล้วโลกหน้าเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่านี้คือในดุนยาเนี่ยพรเรับบอกไงครับชี้ให้เราดูเราจะเห็นใช่ไหมบางคนเราดูปุ๊บเออเอารับเมตตาเขานะเออเอารับเมตตาเขามากกว่าคนนั้นนะเออคนนั้นเอารับเมตตามากที่สุดนะพอเราดูปุ๊บเราเห็นมีความเหลื่อมล้ำอยู่ถูกไหมครับมันมีความเหลื่อมล้ำอยู่คนดีแเราเห็นคนดีเอาคนนี้คนดีทำไมดีกว่าฉันเนี่ยโอ้คนนี้ยิ่งดีกว่ า, วาเอาคนนี้ได้ริสกีอย่างนี้คนนี้ได้ริสีอย่างนี้ เพราะเราบอกในดุนยาเจ้าเห็นความเลือมร้ำใช่ไหมโลกหน้ามันยิ่งมีความเหลือมร้ำใหญ่ยิ่งกว่านี้อีกคือระดับแต่ละระดับในใหญ่กันคนละโลกเลยระหว่างสวรรค์ชั้นหนึ่งไปอีกชั้นหนึ่งนี่คือคนละระดับเลยเพราะนั้นอะไรล่ะที่เจ้าอยากได้พเพราะการอิสราชัร ค, ครับมันแกนายูริดูฮาร์ซัลอาครตนะิะูฟีฮารซฮีว่ามันแกนายูริดูฮารซัตดุนยานุตีฮีมินแฮว่ามาละหูมินอาคราตีมินนบ เพราะกล่าวครับใครก็ตามที่อยากได้ผลของอาร์เคีย ร, เเ ร, ยยร์เราจะเพิ่มให้เขาใครอยากได้ผลอาร์เคียร์เราจะเพิ่มให้เขาใครอยากได้ผลในดุนยาเราจะให้บางส่วนแก่เขาไม่เหมือนกันนะพี่น้องคาที่พอลใช้ไม่เหมือนกันพรอลใช้คําว่าไงนะใครอยากได้อาร์เคียร์เราจะเพิ่มให้เขาเราอยากได้อาร์เคียร์ร้อยพอลใช้เป็นพันหรือหมื่นหรือแสน เราอาจจะคิดว่าเราอยากได้เยอะแล้วในสวรรค์นเนี่ยแต่ที่พวกเราให้หนักมากกว่านั้นใครอยากได้อาชรเราจะเพิ่มให้กับเขาใครอยากได้ดุนยาเราจะให้ส่วนหนึ่งแก่เขาดุนยาทั้งหมดเลยเนี่ยยังเทียบไม่ได้เลยกับปีกยุงพี่น้องแปลว่าทั้งหมดของดุนยาไปเทียบกับโลกหน้ามันมันเป็นการเปรียบเทียบที่ไม่เมคเซนส์มันเป็นไปไม่ได้เลย แต่พวกเราบอกว่าไงครับใครที่เลือกดุนยาเนี่ยพวกเราไม่ได้ให้ดุนยาทั้งหมดนะดุญญนยาในเรามีสุขแล้วเราก็พร้อมจะมีความทุกข์เราได้รับเราก็พร้อมจะสูญเสียถูกไหมครับเราอยู่ในสภ า, ภาพแข็งแรงแล้วเราก็พร้อมจะป่วยไข้มีแต่สิ่งที่บกพร่องรอเราอยู่ในดุนยาอีกครั้งหนึง่งพวกเราแกวไว้ในสุรชูรอกใครต้องการผลจากอาคิร์ะเราะจะเพิ่มไม่แก่เขา ใครต้องการผลจากดุนยาเราจะให้บางส่วนของมันแก่เขาโดยโลกหน้าจะไม่ได้อะไรเลยโดยโลกหน้าจะไม่ได้อะไรเลยเพราะนั้นพี่น้องคิดกคิดครับคิดคิดคิดก่อนที่ความคิดจะไม่ยังประโยชน์ แก่พวกเราครับในวันเกียร์มาเนี่ยคิดอะไรได้มันก็ไม่อย่างประโยชน์แล้วพี่น้องเพื่อนดุญยาเนี่ยคิดให้เยอะคิดเรื่องอายเคร์ให้เยอะมานั่งคุยกับตัวเองนั่งสอบสว น, นเองตกลงฉันอยากเป็นลูกดุญยาหรือเป็นลูกไอเคร์เราเป็นคนเลือกและพวกเป็นผู้ที่ปรอตอบแทนพวกเราทุกคนอยู่ครับผมก็ขอทักทายพี่น้องที่รักที่สลามานะครับขอบคุณสาหรับทุกดูอานะครับก็ วายคุณลัมคุณล้อว่าบารกาตูนะครับคุณคารมารีนาเหมือนไม่เห็นข้อความสักพักนะครับผมบอกว่าจะสบายดีทำดีแล้วครับผมก็จากสวิสเซอร์แลนด์ชัดเจนดีทำดีแล้วคุณเกลียดทายใหญ่ชัดเจนินดีครับผมมาทำดีแล้วครับคุณอาซาดะดูอาขอบคุณจริงๆครับผมแล้วก็สลัมมวตุสลัมมตัวล้อว่าบารักาตูคุณสุรนีโตเอ็มนะครับวิชาที่สาขอดูอามาก็ขอบคุณสำหรับคําดีงามทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแล้วก็พี่น้องที่ทักใครมาทักอื่นถ้ามีข้อความผมไม่เห็นขอมา แล้วก็คุณน้วันนี้ก็สรา ม, มาไัลล้กุณสระหมดตุล้อว่าบารักาตุนะครับผมก็คิดถึงพี่น้องบางท่านนะครับที่ว่าถูกปลดล็กอกเสารก็ขอปลดล็อกช่วยเหลือแล้วก็ตอบแทนด้วยสิ่งที่ดีงามครับผมอันนี้คือสิ่งที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับผมก็พอหอมปากขอมคอแต่เป็นคราวนี้อินชาอัลลอฮ์พรุนี้เรากลับมาคุยกันต่อนะครับในสารวิชาการต่างๆถ้าท่านใดมีคําถามอะไรก็ิ่งมาได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าวัลอิชยารตุ ไฟร ل แล ا บั ا วาขับอาค ل ลคาลีฮ ف ر าวาสั ل ฟุล م อฮฺ ا ิบุ ل ัก ا มวลิ س ั ل ล م มสลีมีนามนุคลิดะมิบัสักฟุรูอินฺฮฺวะลักฟุริห์มุสบารัคุลลอฮฺมัยฮั ى ดิกะัล ح า د ุลล ا ل ل ลลาลันตะัลส ا กวะต